พึงทราบในที่กล่าวคำว่าจุดติเนี่ยในคำหมายมีต่จวจุติเจวตาเป็นต้นพระเถระกล่าวโดยสามารถในศัตว์ผู้เคลื่อนปความหมายของจุดติในที่นี้เป็นชื่อของการเคลื่อนเคลื่อนย้ายไปจากพบ ย้ายไปจากขันใช่ไหมเป็นการเคลื่อนเป็นการย้ายไปพอลักษณะของจุดติลักขณังมีการเคลื่อนย้ายจากภพที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นลักษณะใช่ไหมมีการเคลื่อนย้ายจากภพในภพปัจจุบันที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นการย้ายภพกันทีเดียวฮนะอันนี้เป็นตัวบ่งบอกเป็นคําว่าจุดติจุดติเจวตาหรือจุดติลักขณังการเคลื่อนการย้ายไปจากภพการเปลี่ยนภพจากมนุษย์ เปลี่ยนจากพบมนุษย์อาจจะเป็นมนุษย์ใหม่อาจจะเป็นอะไรใหม่ก็ได้นั้นก็แปลว่าย้ายย้ายแบบชนิดที่ว่าลาแล้วไม่ต้องกลับมาเยี่ยมกันอีกนะไม่ต้องมาแล้วบอกว่าบางทีมาอีกสภาพมามาเป็นผู้อาศัยมาแบบไม่มีใครทักไม่มีใครรู้จักไม่มีใครให้เกียรติจช่ก็โดยมากก็อย่างนั้นก็แปลว่าเป็นผู้ต้องหมดต้องทิ้ง ส่วนคําว่าจุดตินี้เป็นคําทั่วไปสําหรับขันหนึ่งขันสี่แล้วก็ขันห้าเป็นคําทั่วไปของขันขันหนึ่งขันี่ขัน5ขันหนึ่งคืออสัญญสัตย์ยังเถอจดจำได้ไหมพวกขันหนึ่งอสัญญาสัตตภูมิอ่ในภูมินั้นมีอยู่ขันหนึ่งคือรูปประขันอย่างเดียวส่วนขันสี่คือพวกอรูณประภูมิใช่ไหม ในรูปภูมิในรูปภพเนี่ยไม่มีรูปขันมีเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันและวิญญาณขันเท่านั้นไม่มีรูปขันอยู่เลยมีแต่นามอย่างเดียวเยรียกสัตว์ในภพนั้นมีส่วนขันห้าก็กลุ่มในสัตว์ที่ในปัญจโวการภูมิรวมพวกเราอยู่ด้วยในภพนี้นะฉะนั้นขันขันนี้เราคิดว่าเราจะได้ถาวรไหยใช่ไมบางทีเรากลับไปเราอาจไม่ได้ไมาได้อีกแล้ว สภาพขันห้าหมดโอกาสเลยหรือบางทีได้ขันห้าแบบทะลอกหรือแบบชนิดที่ไม่ไม่ไม่สมบูรณ์เนะขาบางทีมีมาเพิ่มบางทีแขนเพิ่มบอกโอ้มีนะมี มันทีไปไม้ทำบุญที่อย่างดีะนะได้ขาเพิ่มเพียบเลยเอนี่มันอะไรนะิะจรณาดูอดเด็ดอานาตัวเองจริงๆนะว่าเอ๊ะทำไมผมเรามันงามขึ้นผิดปกติมา ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดูดูอีกทีอ้าเป็นขนแม่นไปสิเงี้ยบอกโอ้โหตายเลย น, นียขนจะมันขึ้นปุกปุยเลยนเนี่ยบอกงามมากชอบทำผมลก็นี่ะมาปาาบอกว่าเช็ดถูกไม เห็นขาวแล้วงามมึงเดินอวดขายอยู่เลยนะท่นจติเนี่ยแปลว่าเรานั้นน่ะเป็น เ, เป็นคำพูดถึงขันหนึ่งขันสี่ขันห้าที่จะต้องย้ายไปนะจ้าวณหน้าตาเนี่ยจาวณหน้าตานัเป็นคําแสดงถึงลักษณะของขันโดยการเคลื่อนเคลื่อนจากภาวะเคลื่อนจากพบเคลื่อนจากภูมิที่ปรากฏอยู่นะคําว่าเพโทเป็นคําแสดงถึงการแตกดับและการเกิดขึ้นของขันทั้งหลายที่จุติ เป็นการแตกดับเลยนะบางทีท่านบอกว่าวิโยคารสังมีการจากกันกับสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เคยพบเคยเห็นในภพนี้เป็นกิจกิจของความตายเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีการย้ายที่อยู่จากภพเก่าโดยการปรากฏแก่ปัญญาของผู้ของบัณฑิตของผู้รู้ทั้งหลายด้วยนะคือบัณฑิตหรือผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยเวลาการย้ายจากภพนี่เขารู้เลยนะนามรูปนี่เป็นเหตุการณ์ของความตายได้อันตรธานัง เป็นคำแสดงถึงภาวะการเคลื่อนที่จากฐานโดยปริยาใดปริยายหนึ่งการเคลื่อนบอกจุดติขันทั้งหลายที่แตกไปเหมือนเหมือนอะไรเหมือนกระออมที่แตกแล้วฉะนั้นกระออมกระออมในที่นั้นเหมือนกับอะไระเหมือนถังก็แหลเหมือนถังใส่น้ำที่แตกก็ได้อความตายกก่าวคือมรรตยูนิเชื่อมัจจุมรณะมันแตกทำลายสับว่ามัจจุมรนางนั้นพระเถระ ปฏิเสธสมุดเฉท่ามรณะเป็นต้นนยะปฏิเสธคําว่าสมุดเฉท่ามรณะคําว่าสมุดเฉท่ามรณะเป็นการตายของพระลรหัน์เป็นการตายของพระละหัน์คือคําว่าสมุดเฉท่ามรณะมรณะนี่ตายแล้วไม่เกิดพระละหันตายแล้วไม่เกิดแต่การตายที่จะมาพิจารณาเป็นอารมณ์ของมรณานุสติคือการพิจารณาเป็นอารมณ์ของมรณานุสตินั้นไม่ใช่เอาคณิกามรณะนีคือมรณะในขณะที่โกรดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ย นา ม, มาทำเนี่ยตายอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมจำตัว ด, ดูวิธีไหมเขียนวิถีจะ ด, ดวงอ่ะอาิตยแต่ผวังเหมือนกันเลยผวังก็จะละนาผวังกูเปเชเยท่าเลจิตเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาทุ ก, ท, กทุกวิถีจิตที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกๆุกขณะจิตมรณะอย่างนี้ไม่เอาเพราะยังไม่ย้ายพบเอาถ้างั้นเอามรณะแบบไห น, นเอาต้นไม้ตายเอานาฬิกาตายเอาพัดลมตาย เอาความตายอย่างนี้ไหมไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เป็นความตายของขันอันนั้นเป็นความตายตายอยางนั้นซ่อมต้องรับเนื่องในขันให้สิ่งที่มีชีวิตเนี่ยเขาบ อ, อต้นไม้ไม่มีชีวิตเลยบอกต้นไม้ไม่มีจิตวิญญาณไม่มีนามขันสมุเฉทธรรมวราณะาเป็นการตายการขาดไปของพบของขันของพระลรหันทั้งหลายที่ไม่มีการสืบต่ออีกแล้วการตายโดยตัดขาดซึ่งชาติเป็นต้นน่ยมัจจุราชผู้ทําที่สุด จุดจบหมดแล้วนะชื่อว่ากาละการทํากาละชื่อว่ากาลกิริยาเออถ้าเคยไปเห็นบางทีก็ใช้คําคํานี้กันท่านผู้นั้นใช้บอกว่าถึงกาลกิริยาถึงกาลกิริยาแปลว่าการถึงเกจกรรมการกิริยานี้พระเทระเออพระเถระแสดงถึงความตายสมมติของชาวโลกชาวโลกเขาพูดกันเนี่ยนะบอกท่านผู้นี้ได้ถึงการกิริยาแล้วถึงถึงการตายแล้วเพื่อจะแสดงถึงความตายโดยประมัติ พระเถระทีพูดถึงเนี่ยที่พูดเนี่ยพูดถึงการตายของปรมัตนะพระเถระจึงกล่าวคําว่าทธิว่าขันทานนางเพโทขันแตกแล้วขันทําลายแล้วขันอะไรทําลายแล้วขันหนึ่งแตกแล้วขันที่ขันสี่แตกดับแล้วขันห้าแตกดับแล้วเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าขันนั้นน่ะโดนทําลายแล้วการดับไปการเสื่อมไปของขันเนี่ยดับแล้วอย่างนี้เป็นต้น โดยปรมาถ์ขันทั้งหลายแตกดับไม่ใช่สัตว์อะไรเลยเลยตายพิจารณาเห็นยังไหมบอกว่าถ้าโดยปรมัตถธรรมแล้วเนี่ยเมื่อพูดโดยรูปนามแล้วเนี่ยถามว่าอะไรโนาที่แตกดับอะไรโนาที่ผุพังอะไรเนาที่แตกดับจริงๆเใช่สัตว์บุคคลแตกดับไหมเนี่ยพิจารณาไปไม่เห็นเลยไม่ใช่สัตว์บุคคลนะแตกดับแท้ที่จริงแล้วเป็นการแตกดับของขันทั้งหลายใช่ไหม ฉะนั้นขันทั้งหลายนั่นแหละแตกดับมีเป็นอย่างนี้ฉะนั้นในการแตกดับของขันนั่นเป็นอย่างนี้นะีในขณะที่ขันทั้งหลายมีการแตกดับตามสภาพนะนะั<ม>้นเนีเกี่ยวในเรื่องของมรณะคือความตายนะี่นะอีกคำหนึ่งคําว่าอันตรธานังเป็นคําแสดงถึงภาวะของการเคลื่อนที่จากฐานโดยปริยายใดปริยายหนะึ่ง ถามว่าการเคลื่อนย้ายจากฐานโดยปริยายใดยปริยายหนึ่งแห่งจุดติขันทั้งหลายที่แตกไปที่บอกเหมือนกับออมหนึ่งเหมือนกับออมทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของโดยประมาทเนี่ยถ้าไปย้อนพิจารณาดูก็จะเห็นว่าขันทั้งหลายที่แตกไปนั้นแตกไปทำลายไปนั้นเน่ยเป็นการกล่าวโดยประมาทนะไม่ใช่กล่าวถึงในเรื่องของสัตว์บุคคลตายคนนั้นตายหญิงตายชายตายอย่างนั้นไม่ใช่ แต่เป็นพูดถึงการแตกไปของขันหนึ่งขันสี่แล้วก็ขันห้าขันทั้งหลายแตกดับไม่ใช่สัตว์อะไรเลยตายเมื่อขันทั้งหลายกําลังแตกดับอยู่สัตว์ทั้งหลายชื่อว่ากําลังตายเมื่อแตกดับแล้วก็มีโวหารว่าตายแล้วแค่นั้นการบัญญัติสัตว์บุคคล น, นั้นบัญญัติไปตามสภาพที่มีขันเมื่อเราบัญญัติว่าเป็นชื่อนู้นชื่อนี้เนะี่ยบัญญัติชื่อกันไปก็คือเมื่อมีขันอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการตั้งชื่อ เมื่อขันห้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีการตั้งว่าเราจะตั้งชื่อกันว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธคําเหล่านั้นแต่เมื่อขันขันนั้นแตกดับไปแล้วชื่อนั้นก็สมมุติกันว่าตายไปด้วย เ, เพราะว่าถ้าขันทุกขันถ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วเนี่ยบัญญัติไปตามภูมิถ้าขันหนึ่งก็อสัญญะสัตตุสัญญะสัตตบุคคลหรือถ้าขันสี่ก็คืออรู ป, ปรบุคคล ขันห้าก็คือปัญจโวกาลภูมิเนี่ยภูมิที่มีขันห้าพระเจ้าก็อาศัยภูมิเป็นที่เก่าวของขันมีเป็นนี้ในชรารมรณะการแตกแตกดับของขันมีได้ด้วยเจตูโวการภพภพที่มีขันสี่การทิ้งซากศพมีได้ด้วยขันหนึ่งแล้ว ก, การแตกดับทําลายของขันโดยเจตูโวการภพส่วนการทอดทิ้งซากศพพึงทราบด้วยสา ม, มารถถึงพบทั้งสองที่เหลือก็หมายความว่า ในพบที่มีขันหนึ่งอ่ะยังมีซากศพอยู่นะแต่ว่าพบที่มีขันห้าก็ซากศพมีอยู่แต่ว่าใครจะเห็นหรือไม่นั่นก็พูดเช่นอีกอย่างนะฉะนั้นเออมรณะเนี่ยเป็นชื่อของการแตกทำลายถ้าพูดถึงบอกว่ามรณะมีเยอะไหมอง่์เยอะยกตัวอย่างเช่นว่าสมมุติมรณะความตายของสัตว์ทั้งหลายที่สมมุติกันเรียกนายกนายขอต้นไม้ตายปลอดตายอันนี้เขาเรียกสมมุติ ไม่ได้กล่าวในที่นี้เพราะในที่นี้กล่าวถึงเรื่องของขันขันแตกทาลายถ้าสันติมรณะเหมือนโยนตุย๋ยรูปนามแตกดับทุกทุกขณะความคิดเนี่ยเช่นเราคิดเรื่องนี้ความคิดเรื่องนี้ก็ดับไปก็คิดเรื่องใหม่ความคิดเรื่องใหม่ก็ดับไปไการคิดที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกสมมุติมรณะไม่ใช่ความตายอย่างนี้ไม่ใช่ที่ก ล, นนกล่าวถ้าคณิกรรมมรณะก็ทุกทุกขณะ สมุติเอสมุดเฉท่มามรณะปรินิพานของพระอรหันต์ทั้งหลายอันนั้นก็ยังไม่เอาชาติติขยะมรณะความตายที่สิ้นสุดพบหนึ่งพบหนึ่งไ อ, อยู่ตรงเนี้ยอุ ป, ปะกะากรรมมรณะก็คืออายุที่ยังไม่สิน้นกรรมที่ยังไม่หมดเริ่ต้นอันนั้นคนละประเด็นกันบางคนก็ตายเพราะสิน้นอายุตายเพราะสิน้นกรรมตายเพราะั้งสิ้นอายุและสิ้นกรรมตายเพราะว่าเกิอดอุบัตเิเหตุทั้งหลายนี่แต่แท้จริงก็คือเป็นความขาดไปของขันนั่นเอง เขาพูดถึงในเรื่องของมรณะความแตกดับแห่งขันทั้งหลายใ น, ในการทิ้งซากศพเป็นต้นเนี่ยบอกว่าเพราะเหตุอะไรเพราะซากศพกล่าวคืออรูปประกายนั้นเกิดขึ้นเฉพาะในสองพบของของรูปประกายนยะไม่ใช่อรูปคือในพบที่มีขันห้ากับขันหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเหตุที่ขันทั้งหลายในเทวโลกและในพมโลกนั้นมีชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้นนั้นแตกดับไปอย่างเดียว ไม่ทิ้งอะไรไว้ชนั้นการแตกดับของขันทั้งหลายพึงทราบด้วยสามารถแห่งขันทั้งหลายโดยนยายแห่งเทวโลกและพมวโลกมีชั้นจาตุมหลาลัชกาเป็นต้นแท้ที่จริงเขาทิ้งเทวดาตายเพื่บบไม่ทิ้งซากศพไม่ทิ้งแต่ทิ้งซากศพไว้แต่ซากศพหายมนุษย์เราเนี่ยลำบากนะตายแล้วไม่ยอมทิ้งร่างแล้วให้คนอื่นเป็นภาร ะ, ะเนี่เป็นภาร ะ, ะของคนอื่นเขาเนี่ย เหมือนถ้าสมมติว่าพวกเราจะมากันเนี่ยแต่บอกมาจะมาทิ้งร่างกันไว้โอ้โหเป็นภาระน่าดูเลยเนี่ยไอ้ร่างที่เหลือเนี่ยเป็นภาระการตายเนี่ยการเกิดมาแล้วใช่ไหมสัตว์ทุกชนิดที่ยังมีรูปร่างมีอะไรต่างๆเหล่านี้จึงเป็นภาระเป็นขยะของโลกนี้มากในกรณีที่ตายการย้ายพบใช่ไหมการย้ายแล้วไม่ไปไม่เก็บศพย้ายประเภทที่ไม่ยอมเก็บศพตนเองไปเนี่ยโอ้เป็นภาระคนอื่นมากบางคนเนี่ยต้องขนาดเขียนพินัยกรรมไว้เลยนะ เตรียมเงินไว้เผาตัวเองขนาดนั้นเลยเนะาะไงนะเนี่ยเตรียมไว้อย่างมากแลยย้วยอะเตรียมไว้เท่าไหร่ยังเพียเตรียมไว้ของบ้างอ๋อปัดภาราะาดงก <c oughs> พนเนี่พูดอีกในหนึ่งนะแต่จริงๆก็เนี่ยถ้าคิดให้ถูกมันน่าปัดภาระกันนะบริจาคให้หมดนะเนียมันบอกว่าบริจาคให้หมดเธอเอาไว้ทําไมบอกเป็นภาระของโลกใบนี้อย่างั้นเนะ่แล้วมันเป็นมลพิษอย่างน่ากลัวด้วยเนะเอาไปเผาที่ไหนเป็นมลพิษด้วย ในปัจจุบันเนี่ย โ, โหยังต้องมีอะไรนะเตาเผาปลอสารพิษต้องนะปลอดวลลภิษต้องมีอย่างนั้นด้วยนะเพราะว่าแสดงให้เห็นชัดว่ามันสิ่งไม่ดีโดยแท้เลยนะถ้าไม่เผาเนี่ยถ้าตายก็อะไรแล้วก็ไปนอนเอาไปโยนกองกันไว้กองกันไว้สร้างหลุมอย่างใหญ่ขึ้นมาเนะียสร้างหลุมขุดสักสิบหกกิโลเมตรกว้างสิบหกกิโลเมตรไม่นานเดี๋ยวเต็มใช่ไหมไม่นานเดี๋ยวเต็มอเอาแค่ในประเทศไทยเนี่ยนะลึกสิบหกิโลเมตรกว้างสิบหกกิโลเมตร คิดว่าจะเต็มไม่ยอมถือเอาแค่ใครตายก็ไโยนทิ้งตายก็ไโยนทิ้งโยนทิ้งก็มีวิธีการปิดอย่างดีนะอย่างให้มแมลงลงไปอีกนะยะถ้างั้นเป็นที่เพาะของหมู่สัตว์พวกอบัยสัตว์อีกเยอะมากโอ้โหนะีบางทีเราก็พยายามที่จะทําลายใช่ไหมทาลายแหล่งทําลายอาหารของพวกอบัยสัตว์โดยการที่เผาทิ้งให้หมดว่างั้น แต่ที่ไหนได้ก็ไปอยู่ตามดินบ้างอยู่ตามต้นไม้บ้างอยู่ตามอะไรก็คงมากมาจริงๆเขาเรียกว่าตายแล้วไม่ยอมเก็บไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมละล่างตัว น, นี้เออไม่ยอมเอาล่างตัวเองไปด้วยนี่คือกลุ่มนมนุษย์ทั้งหลายเนี่ถ้าพูดถึงในเรื่องนี้คือ ก, การทิ้งทิ้งอะไรทิ้งล่างเขาไว้เหตที่ขันทั้งหลายในเทวโลกพรหมโลกนั้นเน่ยเขาตายแล้วเขาไม่ทิ้งเนย เขาทิ้งไว้แต่มันหายการแตกดับของขันทั้งหลายพึงทราบด้วยสา ม, มารถแห่งขันทั้งหลายในเทวโลกและพรหมโลกมีจาตรตมหาลาชิกาเป็นต้นเหล่านั้นส่วนการทอดทิ้งล่างของมนุษย์เหล่านั้นเป็นต้นความตายโดยเหตุที่ทอดทิ้งล่างซากศพเอาไว้พระเทร่าเนี่ยการทอดทิ้งซากศพอ่ะพึงทราบอักขาอธิบายว่าทั้งชลาทั้งมรณนะพึงทราบโดยในพลนาที่บอกว่าฉลาเนี่ย ก็ปรากฏให้เห็นมรณะก็ปรากฏให้เห็นใช่ปรากฏโดยการทอดทิ้งล่างไว้ให้เห็นมาพิจารณาดูอย่างนี้ท่านจึงกล่าวบอกว่าความแก่ชะลานี่นะชะลาและมรณะคืออะไรเราคุณเหตุเกิดของชะลาและมรณะคืออะไรความดับแห่งชะลามรณะคืออะไรข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งชะลาและมรณะคืออะไร ความแก่ของสัตว์เหล่านั้นในหมู่สัตว์นั้นๆความข้ามข้าฟันผอมงอกหนังเหี่ยวย่นเป็นต้นเนี่ยอันนั้นคือความแก่การเคลื่อนย้ายการย้ายที่ของจากหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆการแตกทําลายการสูญหายเป็นต้นนี่การม้วนมอญ น, นี่อย่างนี้เรียกว่ามรณะเพราะชาติเกิดเห็นไหมชาติเนี่ยคือความเกิดขึ้นการอุบัติขึ้นของขันเนี่ยชร า, าและมรณะจึงเกิดถามว่าถ้าชาติดับหรือชาามรณะก็ดับถามว่า อะไรแล้วเป็นข้อปฏิบัติอเลมาร์สมีองแปดอเลมาร์สมีองแปดเป็นข้อปฏิบัติที่จะเข้าให้เข้าถึงความดับดับอะไรดับชาราและมรณะคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรประเป็นต้นเนี่ยเป็นข้อปฏิบัตินะถามว่าถ้าตราบใดเรายังมีธาตุก็แปลว่าเราจะต้องเพาะชาาและมรณนะเพราะชาติเป็นปัจจัยเกิดชาาและมรณะเป็นเหตุของชาาและมรณะเป็นสมุทัยของชาลาและมรณะถ้าดับชาติได้ ถ้าชาติดับแบบถาวรได้เมื่อไรชาาลมรณะก็ดับด้วยถามว่าข้อปฏิบัติล่ะทํายังไงโน้จะให้เข้าถึงการดับของชาลาละมรณะได้ก็จะต้องปฏิปทาคือจะต้องมีข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติในที่นั้นเขาเรียกว่าอาริยมรรคมีองค์แปดอาริยมรรคมีองค์แดมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวจารสัมมากรรมตะสัมมาอชีวาสัมมาวายมะสัมมาสติ และสัมมาสมาธิคูณเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดชราเมรณนะรู้ชัดในที่นั้นเป็นชื่อของสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องน ะ, ะรู้ชัดชรามรณนะรู้ชัดขนาดไหนรู้ชัดประเภทไหนกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิชัดหรือยังต้องระลังเวทปันสนาสัมมาทิฏฐิโดยพิจารณาเห็นรูปนามโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตานี่ถามว่าชัดหรือยังอย่างเงีนะ้ยฌานสัมมาทิฏฐิ การที่ไปรู้ชัดในการที่จะได้ฌานสมาบัติเข้าปฐมฌานทุติยฌ า, านเป็นต้นอันนี้ก็ยังไม่พ้นชาลาวมาณะถ้ามรตสมมาทิฐิสิถ้าโสดาปฏิมรตสัมมาทิฐิเป็นต้นนะถ้ามรตมีองค์แประชุมในโสดาปฏิมรคจิตสอย่างนั้นก็คือรู้ชัดชร า, ามรณะในอบายภูมิก็พ้นจากชรามาลาณะในอบายภูมิถ้าอาริมรตมีองค์แปด สัมมาทิฏฐิเป็นต้นในสกาชาคามีมากนาคามีมากหรือในนาคามีมากสิเราก็รู้ชัดในกามภูมิือไม่ต้องมาแก่มาตายในกามภูมิอีกแล้วแต่ถ้าหากในอรหัตมรักเนี่ยหมดแล้วรู้ชัดจริงๆใช่ไหมอริยสาวกรู้ชัดเลยรู้ชัดชารามรณะเหตุให้เกิดชารามรณะความดับชารามรณะรู้ชัดปฏิปทาปฏิปทาคืออะไร ข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับชราและมรณนะเมื่อ น, นั้นเธอจะระาราคานุสัยบรรเทาปฏิคานุสัยถอนอะไรทิฏฐิและมานะว่าเรามีอยู่ออกได้ละอวิชาโดยประการนั่งปวงยังวิชาคืออราธมักให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งกองทุกในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุเพียงเท่านี้ละคูนอริยาสาวกชื่อว่า มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครรครแวนมาสู่พระสัตรธรรมนี้แล้วเนี่ยจะต้องไป น, งนี้วิธีการสาธยายในบทนี้สาธยา ย, ยางไงชารามรณะชารามรณะสมูทัยชารามรณะมิโรชารามรณะมิโรทคามีมีปฏิปทาชารามรณะเป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นทุกข์สัจจะชารามรณะสมูทัยเป็นสมูทัยสัจจะหเหตุให้เกิดทุกข์ ฉรามรณนิโรธเป็นความดับทุกข์ฉลามรณะนิโรทคามินีปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ให้เข้าถึงความดับชรามรณะคือดับทุกข์ก็คืออริยมรรคคือมรรคสัจจะพอจะส า, สาธยายได้ไหมแบบนี้พอไปสาธยายพอเห็นความแก่ปรากฏขึ้นมาก็ไล่เลยชรามรณะเป็นทุกข์สัจนะบอกว่าทุกขควรกำหนดรู้่างนั้นน่ย ชรามรณะสมูทายเป็นสมูทยายสัจจะเนืเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ควรละว่าเงี้ยนื้ชรามรณะนิโรธเป็นความดับทุกข์คือดับชรามรณะเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเนะเนี่ยชรามรณะนิโรทคามินีปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ให้เข้าถึงความดับทุกข์คือดับชรามรณะควรจเจริญว่าเงั้นนะ พุกกำหนดรู้ชราโมรณะกำหนดรู้หรื อ, อยังยังบอกต้องกำหนดรู้กำหนดรู้ยังไงบอกกำหนดรู้ด้วยยาตะประิญญากำหนดรู้จกักรู้จักตัวชราจริงๆหนึ่งรู้จักมรณะจริงๆว่าเป็นยังไงไอ้ที่ว่าชราคือความแก่งอมของอินทรีความที่สลีลากงงอฟันหนักหนังเหยียว ย, นย่นหนึ่งนีต้องรู้จักจริงๆนึนี่เขาเป็นอย่างนี้นะโดยยาตะของเขาอ่ะโดยเหตุของเขาอ่ะต้องรู้ด้วย น, วนะวะนะ ในเหตุว่าถ้าชาติเกิดชาราเกิดใช่ชาติดับชาราดับเนี่ต้องรู้นี้ต้องรู้อีกว่าไอ้ตัณหาเป็นตัวส่งให้ส่งมาให้ได้ชาราและมรณะนะนี้ยต้องรู้จากตัวตัวส่งไอ้ข้อไอห้หนทางหนทางที่จะทำให้ได้ชาราแลมรณะหนทางคือตัณหาการปฏิบัติด้วยตัณหาจะถามว่ากรรมที่ทำกันกายกรรมวยีากรรมมโนกรรมเนี่ยที่ทำกันอยู่ยทุกวันเนี่ย โ อ, อ้ทำลงไปมันจะได้ชลามันจะได้มรณะย้ํมว่าไงถ้าขุดดินปบก็บอกเลยนะบอกเ อ, อ้เอาละจะได้ไปชลาจะได้เป็นมรณะอจะทําลงไปเจอสัตว์ก็ฆ่าสัตว์จะทําบาปทํากรรมบอกเ อ, อ้ย้ําลงไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ไปได้ชรามรณะดีจะได้ไปชราในอายภู ม, มิ่าไงจะได้ไปมรณะในอายภู ม, มิเขาว่าอไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเงี้ยมันจะได้ชัด ถ้าอย่างนั้นมันไม่ค่อยย้ำเตือนเลยนะถ้า ถ, ถ้าไม่ย้ำอย่างนั้นมันไม่ไม่ไม่ได้ไม่เห็นนี่ไหมไอ้ย้ำอย่างนั้นบอกอ๋ออยากจะเกิดเป็นมนุษย์จะได้ไปแก่อย่างมนุษย์จะได้ไปตายอย่างมนุษย์อยนะ่างนัะพิจารณาไปอย่นี่จะไปแก่อย่างเทวดาไปตายอย่างเทวดาไปแกปป่แบบพรมไปตายแบบพรมเนี่ก็ไล่ไปอย่างนี้นะอนนบางทีมันต้องย้ำบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆอย่อย padding, alet, นี้ฉลามรณะนิโรธอ่ะยังไม่เห็นแจ้งเลยยังไม่เห็นแจ้งความดับฉลาเลย ว่าเราจะดับยังไงมหมถ้ายังไม่ถึงนิพพานระดับชรามระนไม่ได้นะอริยมักก็ยังไม่ได้เจริญเลยอย่างเยังไม่ได้สักมักเลยมียมมักอย่างเดียวมักไม่ดีนะมักดีๆไม่เคยได้เลยว่างั้นเลยเสียหายเลยทีนี้จะดับต้องดับให้ได้ดับชราะมรณะให้ได้นี่แหละถ้าอย่างนี้นี่แหละเขาบอคูณว่าไงอริยส า, าวกรู้ชัดอย่างนี้แล้วเนี่ยประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่คอนแกนมาสู่พระสัตธรรมนี้นี่คือ ชาามรณาวาละอะต่อไปดูชาติวาละเนี่ยเพราะว่าครั้งที่แล้วได้พูดถึงชรามรณาวาละภิกสูเหล่านั้นได้กาปรียนถามว่าใต้ท้าครับเหตุปริยาอย่างอื่นยังมีอยู่อีกหรือในหน้าที่527ข้อที่118บเนี่ยนะบอกว่าเหตุปริยาอย่างอื่นยังมีอยู่อีกหรือเนี่ยเพราะว่าชื่นชมพาจิตของพระเทละาแล้วใช่ไหมเบอกใต้ท้าบอก บอกว่าเหตุปริยายอย่างอื่นยังมีอีกไหมที่จะให้อริยาสาวกมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่อมใสในธรรมไม่ครอนแคลนมาสู่พระสัจธรรมนี้เนี่ยท่านภาษารีบุตรก็บอกว่าท่านผู้มีอายุท่านภาษารีบุตรก็ตอบว่ายังมีอยู่คุณแล้วก็ได้กล่าวว่าเพราะเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดชาติเหตุให้เกิดชาติความดับแห่งชาติรู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งชาติ เพียงเท่านี้แหละคุณอริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่อมใสในธรรมไม่ครรลอมาสู่พระสัจธรรมนี้ชาติชาติชา ต, ชาติสมุทัยชาตินิโรธชาตินิโรธคามินีปฏิปทานี้การคือการรู้อริยสัจสี่ในชาติคําว่าชาติอย่างนั้นเป็นทุกข์สัจชาติสมุทัยนั้นคือเหตุให้เกิดชาตินี้เป็นสมุทัยสัจจะ ชาตินิโรดนี่คือความดับชาติและดับเหตุให้เกิดชาติอันนี้เป็นนิโรธาสัจจะชาตินิโรธาคามินีปฏิบัตานี้เป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับชาติคืออริยมรรคมีองค์แปดนี้โดยย่อเนี่ยถามว่าชาติคืออะไรเล่าคุณเหตุเกิดแห่งชาติข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับชาติคืออะไรเล่าตอบว่าความเกิดในหมู่สัตว์นั้นๆแห่งเราสัตว์นั้นๆ ความเกิดความก้าวลงสู่ขันความมังเกิดขึ้นความถือกําเนิดความปรากฏขึ้นแห่งขันทั้งหลายการปรับได้อายตนะทั้งหลายในหมู่สัตว์นั้นๆแห่งเหล่าสัตว์นั้นๆนี้แหละคุณเรียกว่าชาติฉะนั้นการอุบัติเกิดขึ้นของการกลับมาได้อายตนะ หรือการอุบัติเกิดขึ้นกันของขันเนี่ยนะรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ขนแล้วก็วิญญาณขันนะเรียกว่าชาติชาตินั้นคือการเกิดทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของชาติคือการเกิดเนี่ยไปดูตรงไหนบอกดูตรงที่บอกว่าอายตนะทั้งหลายนั้นอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วนะชื่อว่าเป็นการปรากฏขึ้นของทุกข์แถ้าไปเจอบางแห่งเนี่ย นันจะบอกว่าการป ร, ก า, ร, ปรากาฏหรือการเกิดขึ้นในะชื่อว่าทุกเกิดขึ้นมาแล้วแปลว่ากระบวนการของทุกในะเริ่มต้นเลยใช่ไหมเพราะว่าชาตินี้เป็นปัจจัยของชราและมรณะดิฉะนั้นถ้าหากสาวลงมาตามลําดับอย่างเนี้ยถ้าเราพิจารณาอุชะลาคือความแก่มรณะคือความตายเนี่ยคือมีชาตินี้เองเป็นหีน่เพราะพิจารณาอย่างนี้ะบวนการของทุก์มันเริ่มต้นจากภพหนึ่งหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งหนึ่งก็คือ คือเริ่มจากที่ชาตินี่เองแล้วก็ตรัสตอบแล้วก็บอกต่อไปว่าพบพรพบชาติจึงเกิดเพราะพบดับชาติจึงดับคือถ้าพบเกิดแล้วชาติเกิดพบดับแล้วชาติจึงดับอริยมรรคมีองค์แปดเท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งชาติคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคุณเมื่อใดแลอริยสาวก รู้ชัดอย่างนี้รู้ชัดยังไงบอกว่ารู้ชัดชาติเหตุเกิดของชาติความดับชาติรู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งชาติแล้วเนี่ยถ้ารู้ชัดอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะละราคานุสัยบรรเทาปฏิคานุสัยถอนทิถีและมานะว่าเรามีอยู่ออกเสียได้แล้วก็สามารถที่จะละอวิชาได้โดยประการและทั้งปวง ยังวิชาคืออรหัตธรรมให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันเลยทีเดียวด้วยเหตุเพียงเท่านี้และคุณอริยสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระสัตว์ธรรมนี้ต้องไปพิจารณาถึงว่าชาติเนี่ยนะในหน้าที่ห้าร้อยแปดสิบเก้าในข้อที่ร้อยสิบปดคว่าชาติในที่นั้นนะเนี่ยพระอัฏว่าเริ่ม เริ่มเกิดเนี่ยนะคือการเกิดขึ้นน่ยชาตินั้นประกอบแล้วโดยวาสามารถแห่งอายตนะนั้นยังไม่บริบูรณ์ถ้าพูดถึงในเรื่องของอายตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนะคือจมูกอายตนะคือลิ้นอายตนะคือกายเนี่ยคืออายตนะคือใจเนี่ยยังไม่บริบูรณ์ตราบใดเนี่ยในลักษณะเช่นนั้นน่ยท่านเรียกว่าชาติคือการเกิดขึ้นมาแต่ถึงจะบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์นั้นก็ชื่อว่าความเกิดขึ้นความปรากฏขึ้นของทุกนะ แต่ถ้าหากไม่บริบูรณ์เนี่ยในกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่บอกไม่บริบูรณ์ไม่บริบูรณ์เพราะอะไรรู้ไหมไม่บริบูรณ์เพราะถูกกระทําอย่างเช่นในกลุ่มของพวกอบายสัตว์ทั้งหลายหรือกลุ่มของบุคคลที่ถูกกรรมทั้งหลายมาตัดรอนเนี่ยโดยมากก็จะชาติเนี่ยปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วอายตนะถึงเวลาที่จะเกิดก็ไม่เกิด <S <S อายตนะคือตาจะเกิดก็เกิดไม่ได้อายตนะคือหูจะเกิดก็เกิดไม่ได้ ลักษณะเช่นนั้นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่บกพร่องด้วยอำนาจของกรรมด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยต่างๆนะที่ทำให้ต้องพิกลพิการต่างๆนาะนาะลักษณะเช่นนั้นเขาเรียกว่าการปรากฏเกิดขึ้นนั้นไม่สมบูรณ์เพราะลักษณะของชาติคือการเกิดขึ้นมาเนี่ยถามว่าเมื่อชาติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถามว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยชาติเพราะอธวิวเริ่มเกิดเนี่ยถามว่าประกอบด้วยด้วยคามสามารถใน อ, อายตนะยังไม่บริบูรณ์ ถามว่าถ้าหาสัญชาติแหละสัญชาติพระอัฏวาเกิดครบแล้วสัญชาตินั้นประกอบแล้วด้วยคามสามารถแห่งอายตนะนั้นครบบริบูรณ์ก็บอกถ้าครบบริบูรณ์ก็แปลว่าถ้าหาว่าเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นอะไรก็แปลว่าสิ่งสิ่งนั้นครบบริบูรณ์แล้วครบบริบูรณ์แล้วเพราะคําว่าชาติเนี่ยถ้าถามว่าลักษณะของชาตินั้นเป็นอย่างไรก็มีการเกิดขึ้นครั้งแรกในภพนั้นนั้เป็นลักษณะใช่ไหมเอาการปรากฏเกิดขึ้น ในภพนั้นนั้นเป็นลักษณะการปรากฏขึ้นการหยั่งลงในภพนั้นนั้นเป็นลักษณะเพราะอีกคำหนึ่งที่เรียกว่าโอคันติโอคันติเนี่ยเพออาราะอธถว่าเลยก้าวลงสู่ขันโอคันตินี้นับด้วยนับด้วยประกอบด้วยอันทชาติอันทชาเนิดเกิดในฟองแล้วก็ชาลาพุชากําเนิดเกิดเป็นตัวที่เขาเรียกว่าชาลาพุ ช, ชาชาติการเกิดขึ้นแล้วก็อันทชาชาติการเกิดขึ้นในฟองเนี่ย ที่จริงชราพุชชาชาตินั้นเป็นการเกิดขึ้นในมดลูกเนะี่ยเกิดขึ้นในในมดลูกแค่นั้นในกลุ่มของสัตว์ทั้งหลายที่ก้าวลงสู่คันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันทชากำเนิดแล้วก็ชราพุชชากำเนิดเกิดเป็นตัวเนี่ยนะอธิบายว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยก้าวลงคือถือปฏิสุนที่เหมือนก้าวย่างเข้าไปสู่กระเป๋ะไข่และในรังมดลูกเหมือนกันหนึ่งเหมือนการประหนึ่งว่าการก้าวลงสู่กระปาะไข่ การก้าวลงสู่หลังมดลูกนี่ถ้าเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่แล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะในกลุ่มที่เกิดในฟองทั้งหลายเนี่ยที่สุดจริงๆก็บางครั้งอายุไม่กี่วันเนีปะปัจจุบันนี่ไข่ขายดีเหลือเกินไข่ในมีสัตว์ไปปฏิสนธิแล้วใช่ไหมในฟองนั้นเนี่ยถ้ามีมีสัตว์ไปถือปฏิสนธิเป็นงั้ น, นเลยรู้แดงเลยอ๋อ อ๋อนะเหตุปัจจัยยังไม่ครบอะไรอย่างนี้ยังไม่รู้เนีเ่ยเพราะยังไม่ยังไม่ค่อยรู้สาเหตุรายละเอียดตรงไหน น, น, น่าจะมีส่วนน่าจะมีส่วนทะ้งนั้นคำว่าชาติที่บอกว่านามชาติรูปชาติคือการเกิดขึ้นกันของกระบวนการของนามขันศีเป็นชาติได้ไหมการเกิดขึ้นกันของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณยังไม่ก็ได้อยู่แล้วการเกิดขึ้นกันของรูปขัน ปฏิสนที่ชาติท่านนับให้เล็กๆเลยเนี่ยก็นับยังไงเลยไหมโยนตุยเขาหนับปฏิสนที่ขณะถีตีขณะพังคักขณาอะไรนั่นหนึ่ในกลุ่มของบุคคลที่ศึกษามันดีก็าบอกว่าเอาขนาดว่าปฏิสนที่ที่อุปาถ้าขนาดปฏิสนที่เนะี่ยเรียกปฏิสันที่ชาตินะสันตติชาติชาติคือการเกิดขึ้นสืบต่อแล้วก็อะไรไปขคณิกาชาติ ถ้าปฏิสนธิชาติีไม้ถ้าทำมาที่ฐานนะได้แก่ปฏิสนธิจิตเลยถ้ากลุ่มของปฏิสนธิจิตคือจิตที่ไปทำหน้าที่เกิดได้ในกลุ่มของอุเวขาสันตีแล้วนะอคุศลเนี่ยก็ทำหน้าที่ปฏิสนธิในอใบยภูมีไหมไอ้ตัวเนี้ยจะทำหน้าที่ปฏิสนธิครั้งแรกเลยหรือในกลุ่มที่บ้าใบบอดหนวลทั้งหลายก็ถือปฏิสนธิเป็นมาตั้งแต่ปฏิสนธิขณะแล้วนะในกลุ่มที่ที่เป็นพวกอหิทธุกะปฏิสนธิเนี่ย หรือในกลุ่มของพวกทวิเหตุกาปฏิสนธิอ่ะเขานับยังไงก็เห็นปฏิสนธิจิตไหมฉะนั้นตัวปฏิสนธินะั้นมีกี่ขณะทีนี้ถ้าถามว่าสันตติสันตติแลนับยังไงนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดใหม่ๆติดต่อกันไม่ขาดสายตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีจนกระทั่งถึงตลอดชีวิตอย่างนั้นเขาเรียกสัน ต, ติชาติการเกิดขึ้นสืบต่อกันของจิตเจตสิกและรูปธรรมทั้งหลายนั่นเอง อันนั้นเป็นเขาเรียกสันตติเลยเพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้เรามีชาติทุกๆขนาดเลยไหมเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวก็อุบัติเกิดขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวก็อุบัติเกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเอาชาติปรากฏเกิดขึ้นมาอีกแล้วฉะนั้นคําว่าชาติเนี่ยนะคำว่าชาติที่ว่าอกกันตินั้นคือการก้าวลงเนี่ยคือการก้าวลงเนี่ยถ้าหากคณิกาชาติได้แก่การเกิดขึ้นของขนาดจิตเจตสิกรูปทั้งหมดเขาเรียกว่า ของจิตดวงหนึ่งหนึ่งและการเกิดขึ้นของของขหนึ่งหนึ่งของรูปประธรรมด้วยของนามรธรรมทั้งหลายนันเน่เขาเรียกคณิกาชาติอันนี้นับขณะใหญ่เนี่ยนับขณะใหญ่ขณะใหญ่ของจิตที่เกิดขึ้นทุกๆขณะที่เกิดขึ้นนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าชาติทีนี้ถ้าไปพูดถึงในเรื่องของการที่บอกว่าชาติคือการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในภพนั้นเป็นลักษณะ มีการเป็นไปคล้ายกับการมอบขันห้าที่มีขอบเขตในภพหนึ่งหนึ่งให้แก่สัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นกิจดังที่เคยกล่าวนะว่าแท้ที่จริงเนี่ยตัวชาติเนี่ยเป็นตัวมามอบขันให้มามอบรูปมอบเวทนามอบสัญญามอบสังขารมอบวิญญาณให้ไว้ในภพหนึ่งหนึ่งให้ชราและมรณะนะนั้นเป็นผู้ที่รับผิด ช, ชอบต่อไปคือทำกิจต่อไป เมื่อสักครู่ยังคุยกับพระเนี่ยบอกว่าบางครั้งเนี่ยอายุยังไม่มากแต่ให้สังเกตดูว่าชลาของแต่และบุคคลเนี่ยปรากฏปกปิดน่ะต่างกันบางครั้งก็เปิดเผยได้เร็วมากเช่นบางทีในศรีระในร่างกายเนี่ยก็จะมีตัวบ่งบอกให้รู้ว่าชลานะปรากฏมากแล้วไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นขนเป็นเล็บบางทีก็จะปรากฏให้เห็นชัดเจนมากขึ้น นั้นเชีย่ยเห็นว่าชาติเนี่ยเขามอบภาระมาชัดเจนแล้วคือเขามอบมาตั้งนานแล้วชาติเนี่ยเขามอบอะไรเขามอบรูปนามขันห้าไว้ในพบหนึ่งหนึ่งมาตั้งนานแล้วใช่ไหมต่อมาเป็นกิจของชลารับช่วงต่อทันทีเลยชลาก็มาทําหน้าที่ดูแลทีนี้การดูแลกิจของฉลาของเขาก็คือว่ามีอาการโค้งงอมีอาการฟันหักหนังเหี่ยวย่วนเป็นต้นที่เราศึกษากันไปแล้วเนี่ย อันนั้นแปลว่าคขรับภาระรับมอบหมายจากชาตินั่นเองก็เลยชี้เห็นว่าจริงๆตรงเนี้ต้องพิจารณาให้มากแล้วจะเกิดรำมสังเวทในใจว่าเราแก่แล้วจริงๆอย่างในตรงนี้เนีเพราะชาตินั้นอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยชาติตุกใช่ไหมชราก็เป็นทุกข์แล้วก็มรณะก็ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นประการต่อมาคืออภินิพติเพราะอาจจะว่าผุดเกิดอภินะอภินิพติเนี่ย ประกอบด้วยสังเสรชะกําเนิดเกิดในเท่าใครแล้วก็โอปปาติกะกําเนิดเกิดผุดขึ้นอธิบายว่าสัตว์เหล่านั้นเกิดปรากฏขึ้นทีเดียวเออถ้าพูดถึงในกลุ่มของสังเสรชะชาติหรือสังเสริฐะชะกาเนิดเนี่ยเนี่ยในกลุ่มของบุคคลที่เกิดในที่ที่มียางเหนียวทั้งหลายที่มียางทั้งหลายเนี่ยที่กลุ่มที่ พวกเราทั้งหลายหรือว่าสัตว์โลกทั้งหลายสามารถที่จะรู้เห็นได้กลุ่ ม, มนุษย์ทั้งหลายที่จะรู้ได้ก็คือว่าในกลุ่มของพวกอบัยสัตว์ในด้านของสว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยโด้มากก็อาศัยพวกกลุ่มยางเหนียวเกิดในค่อนข้างเยอะมากมากตรงนี้ไปพิจารณาเห็นว่าแท้ที่จริงก็คือว่าการอุบัติเกิดขึ้นกันของชาตินั้นน่ะที่ที่ทุกแห่งมีไม้ที่สัตว์จะถือปฏิสนธิไม่ได้ ก็บอกไม่มีเลยในโลกใบนี้ตลอดถึงในต้นไม้ในน้ำาอะนะไปพิจารณาดูในทะเลเนะี่ยถามว่าในจุดไหนบ้างที่สัตว์ถือปฏิสนธิไม่ได้แม้แต่ในยางเหนียวนะในที่ที่มียางเหนียวทุกๆแห่งที่ชื้นแฉะทั้งหลายเนะี่ยก็ล้วนแต่เป็นแหล่งในการที่จะเพาะพันธุ์ไปปฏิสนธิแทบจะทั้งนั้นถ้าไปพิจารณาอย่างนี้แล้วจะได้เห็นว่าชาติมีมากมายจริงๆ ไอ้ตัวยางเหนียวตัวฉาบติดตัวตันหาเนี่ยสามารถที่จะก่อกายปฏิสนณฑที่ได้หมดเลยว่างเนี่ยเออบางทีเนี่ยถ้าหากไปดูตามสถานที่ต่างๆที่เขาปลูกมีอุโบสถก็ดีมีเจดีก็ดีมีต้นเสาเสาไม้ก็ดีนะที่ปักไว้บรกลางอากาศเนี่ยนว่าไงบางทีย่ายังไปขึ้นบนฉันใดว่าตัวปฏิสนณที่เนี่ย สามารถเกิดได้ทุกๆ ท, กที่บางทีในสรีระของสัตว์ทั้งหลายนึกว่าจะไม่มีที่สัตว์มาถือปฏิสนธิแต่ที่ไหนได้เป็นรังของการที่สัตว์นั้นมาถือปฏิสนธิได้มากมายจริงๆเลยพิจารณาอย่างนี้แล้วจะได้เกิดความรู้สึกว่าโอ้หน้ากลัวจริงๆชาติมีมากมายจริงๆนะการเกิดการอุบัติ เกิดขึ้นการอย่างลงการก้าวลงเนี่ยไม่ว่าจะกลุ่มของชาลาพุทชชาชาติการเกิดในมดลูกอันทช า, ชาชาติการเกิดในฟองสังเสริ ช, ชาชาติการเกิดในที่มียางโอปปาติกะชาติการเกิดในการผุดโตขึ้นนะใช่ไหมถ้าดูกลุ่มของพวกอบายสัตว์ที่ไม่ต้องอาศัยคันกลุ่มของพวกเทวดาและพรหมทั้งหลายที่ไม่ต้องอาศัยคันเนี่ย ที่ที่ไม่ต้องมีคันยังเกิดได้จะป่วยกล่าวไปยายกับการที่ที่มีที่เกาะกายอยู่พรวก น, นั้นเนี่ยเออถ้าพิจารณาอย่างนี้เห็นหมดเลยว่าโคหน้ากลัวมากเวลาตัณหาเกิดขึ้นท่านจึงต้องให้ระวังในพระในวินัยในคําสอนของพระยะเจ้าของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะจะต้องสอนเลยบอกว่าเวลาที่แม้แต่การจะใช้เครื่องนุ่งห่มท่านถาพิจารณาไหมปัจจเวกไหมพิจารณาหรือไม่ ถ้าไม่พิจารณาในขณะนั้นยินดีพอใจเขาเรียกว่าเพาะเชื่อในการปฏิสนธิในสลีในใ น, ในเสื้อผ้าในเครื่องนุ่งห่มนั้นแล้วหรือในขณะที่เราบริโภคอาหารใช่ไหมรสกษาตันหาก็ดีรูปปั้ตันหาก็ดีที่เกิดขึ้นในการยินดีพอใจในสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่พิจารณาก็แปลว่าเราเพาะเชื่อไว้ในใน ในผลไม้ในอาหารประเภทนั้นไปแล้วหรือถ้าหากว่าไปเกี่ยวกับที่นอนก็ดีที่นั่งก็ดีที่อยู่อาศัยทั้งหลายในทำนองเดียวกันเพราะล้วนจะเป็นที่สัตว์ทั้งหลายถือปฏิสนธิได้ทั้งนั้นท่านจึงบอกกันตันหาให้ได้ต้องพิจารณาแล้วสามารถการตันหากันฉันทราคะคือความยินดีพอใจในสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยสรุปคือว่าปัจจัยสี่ะย่างพิจิตรรถต้องทำไง เปิดประตูพระไปนั่งพบพิจารณาพานะไงถามให้พิจารณาอย่ายินดีใช่ไหมถามว่าในรถมีสัตว์ปดิชนที่เยอะไหมนั่นแห<ช>ละสักวันใดวันหนึ่งเราเป็นเจ้าของกับกายจะต้องไปอยู่ในที่ตรงนั้นลองคิดดูจะน่ากลัวสักปันใดนี่เป็นเรื่องเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าเป็นห่วงกันนึใครไปช่วยสะ ก, กิดวิ่งไปวิ่งมารอบรถ อ, อยู่นะันก็ลาบากเยอะๆปลบากทั้งว อ, อยู่ในบ้านเนี่ย ถ้าไม่พิจารณาอะไรเกิดขึ้นตัณหาก็เกิดทุกมุมของบ้านเนี่ยแปลว่าเราพอเชื้อปฏิสนธิคือเพราะชาติไว้ไนั่นแหละสร้างเหตุปัจจัยชาติเขาไว้ไม่ต้องกลัวเหงาว่าที่เกิดเราเยอะมากถ้าไม่ได้พิจารณาให้ดีใช่ไหมถามว่าเอ๊พูดอย่างนี้เกินก็เหตุไม้มไม่ใช่เกินก็เหตุมีในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นการผุดเกิดขึ้นเนี่ยนะเกิดในเท่าใครก็ดีเกิดประเภทโตขึ้นมาก็ดีนี ถ้าว่าโดยปรมัติอธิบายว่าประมาติขันทั้งหลายเท่านั้นแหละย่อมปรากฏเกิดขึ้นอขันประเภทไหนถ้าพูดถึงขันก็เลือปัญจโวการาชาติตโตโวการาชาติเอกโวการาชาตินี่คือขันทั้งหลายปรากฏเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้การเกิดขึ้นกันของขันห้าการเกิดขึ้นกันของขันสการเกิดขึ้นกันของขันหนึ่ง อย่างนี้เขาเรียกว่าขันทั้งหลายเท่านั้นอันนี้ว่าโดยประมาทในปัญจโวการภูมิขันห้าปรากฏเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องไปแยกสัตว์ใช่ไหมไม่ต้องไปแยกว่าเป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์หมูนั้นหมูนี้อะไรต่างๆไม่ต้องไปแยกว่าเป็นติเหตุกาปฏิสันธีทวีเหตุกาปฏิสันธีแล้วก็ไม่ต้องไปแยกเป็นอเหตุกาปฏิสันธีว่าเงี้นนะยันตุต้องไปแยกไหมไม่ต้องแยกเลยแต่ว่าให้ดูประมาทไปเลยว่า โรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างลงแล้วในภูมิที่มีขันห้าถ้าในภูมิที่มีขันสี่ก็เป็นพวกอรูปภพทั้งหลายก็บอกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนยขันน้ำขันเหล่านี้อย่างลงแล้วถือปฏิสนธิแล้วก้าวลงแล้วในภพนั้นๆในภูมินั้นๆอย่านั้นนะถ้าเกี่ยวกันในเรื่องของอสัญญาสัตตาภูมิก็บอกว่าโรคประขันนี่อย่างลงแล้วย่างลงจักระทีเนี่ย นานแค่ไหนบอก500ร้อมหากับคิดดูดีจะต้องไปชาติแล้วก็จะต้องไปชรลาแล้วก็ไปไปแก่แบบนี้รูปยูอย่างงั้นน่ากลัวจริงคือไปเกิดได้ทำอายุของตนเองให้ยาวนานเล่ น, ลนๆด้วยงั้นดูที่ด้วยอวิชาคือความมืดบอดของสัตว์และสังขารทั้งหลายแท้ที่จริงท่านเหล่านั้นปรารถนาเพื่อจะพ้นจากกองทุกหน้ากรุณาหน้ากรุณาไม่อาจจะพูดไปหน้ากรุณา พอพอกับเราพอพอกันหนึ่งหน้าหน้ากรุณาพอๆกับเราคือใครก็แล้วแต่ที่ยังละอวิชชาไม่ได้ก็หวังจะดิ้นรนเพื่อจะไปสู่ความพ้นจากกองทุกพวกอารม ป, ปรพรมเขาก็ต้องการจะพ้นจากกองทุกพวกเกรดอสุรกายศัตร์ยาฉานที่เขาทํากรรมไม่ไม่ดีทํากรรมชั่วทั้งหลายโดยเจตนาจริงๆเขาก็คือปรารถนาที่จะพ้นจากกองทุก แต่ทําไมจึงพ้นไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ข้อปฏิบัติไม่รู้จริงๆไม่ได้ไม่ใช่ไม่รู้ข้อปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยไม่รู้ทุกใช่ไหมไม่รู้เหตุเกิดทุกไม่รู้ความดับทุกไม่รู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเห็นไหมการไม่รู้อริยสัจสี่เนี่ยก็ทําให้สัตว์เหล่านั้นเนต้องดิ้นลนกันไปเฮอะเที่ยวไปหาครูอาจารย์หาพ่อหาแม่หารังหาที่เกิดไป เกิดในมดโลกบ้างเกิดในยางเหนียวบ้างเกิดในที่ที่มีเกิดผุดขึ้นบ้างเกิดในฟองบ้างไล่ไปตามลําดับโดยที่สุดก็คือเกิดอยู่อย่างนั้นเลยถ้าว่าโดยประมาจก็คือว่าขันทั้งหลายนั่นเองปรากฏเกิดขึ้นขันทานางบึงทราบหมายความว่าขันสี่ขันห้าหรือว่าขันหนึ่งเอกโวโกระภบจะตัวกระภบและปัญจโวโกระภบดังที่ได้กล่าวการอุบัติชื่อว่าปาตุภาโว พึงทราบว่าการสงเคราะห์ด้วยอาญาตนะที่กําลังเกิดขึ้นในภพนั้นๆเข้าในคําว่าอาญาตานังถามว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็อาญาตนะมีคือตาก็เกิดอาญาตนะคือหูก็งอกนะตาก็งอกหูก็งอกจมูกก็งอกปากก็งอกอะไรต่างๆไม่งอกออกแต่ก่อมันบางอย่างมันก็ไม่งอกนะพอตันหาเกิดขึ้นมันก็งอกนะแต่พอระเรียว่ารูปปัตนหาทําให้อะไรงอกตางอก สัทธาตันหาทําให้ไร้งอกหูเนืองงอกออกมาราสาตัยคันธาตันหาทําให้จมูกงอกราสาตันหาคือทําให้ลิ้นงอกโคดทพะตันหาก็ทําให้กายเนืองงอกออกมาธรรมาตันหาก็ทําให้ใจเนืองงอกนมันมันอย่างเงี้ยมันมีตันหามันก็เลยทําให้งอกท่านบอกว่าในกลุ่มของพวกพรหมทั้งหลายนี่ยันตุเป็นไงรู้ไหมมนุษย์ที่อุบัติเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ย ในมนุษย์โลกเนะี่ยไม่มีเขาบอกว่ารัศมีสว่างหมดเลยไม่ต้องอยู่กันแบบเป็นผัวเป็นเมียไม่ต้องเลยเนะี่ยเพราะไม่มีอวัยวะเหล่านี้ไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่จะมาทําปัจจัยต่าง ๆ, ๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นราคะทางเหล่านี้ไม่เกิดเลยต่อมาเพราะไอ้ตัณหาเนี่ยตัณหานี่แหละเอออยากจะกินนั้นขึ้นมาอา้าวขึ้นมาแล้วไปๆม า, มาๆก็ลิ้มลองกินง่วนดินกินเลงต่างขึ้นมาราซาตัณหาเริ่มงอกออกมามงี่เป็นต้น ต่อมาเห็นกันเอเอมีผู้หญิงผู้ชายเริ่มมีตัณหาความกำหนัดยินดีก็เริ่มงอกของสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมาจากตัณหาตัณหานี่เป็นตัวสร้างหมดแหละบางกลุ่มนึกว่าโอ้เนี่ยเป็นโทษจริงๆในะเรื่องเรื่องชาตนินี่เป็นอย่างนี้ประการสุดท้ายดังที่บอกว่านี่เขามอบให้มีการผุดขึ้นจากภพนี้เมื่อเขามอบขันห้าเป็นขอบเขตแล้วนะ ให้สัตนั้นเป็นกิจแล้วแต่เขาก็ม อ, อบการเกิดขึ้นมาก็มีการผุดขึ้นในภพนี้จากภพก่อนเป็นอาการปรากฏของในปัญญาคืออย่างนี้อาการผุดขึ้นเขาบอกผุดขึ้นจากภพนี้จากภพก่อนเหมือนอย่างนี้นว่าผุดขึ้นมาจากภพนี้มาจากไหนมาจากภพก่อนตัวภพก่อนเป็นปัจจัยใช่ไหอเป็นปัจจัยทําให้การผุดขึ้นมีตายภพก่อนเน่ยถึงมีการเกิดในภพนี้ถามว่าถ้าภพนี้ยังไม่ตายเนี่ย การผุดขึ้นในภพใหม่ยังไม่มีเดี๋ยถ้าตายเมื่อไหร่การผุดขึ้นในภพใหม่มีตรับนั้นเนี่ยมีทันทีเลยไม่ต้องรอจังหวะไม่ต้องมีใครมาอ้อนวอนบางคนบอกว่าต้องไ ม, ไม่ต้องมีการยิงพู้ท่องจียงยิงพ่บอกให้พ่อแม่ไปเกิดมีการส่งให้ไปเกิดในสวรรค์กันด้วยนะบอกงั้นเลยจว่าส่งวิญญาณไม่ต้องมีอย่างนี้บอกงนะั้นเลยแท้จริงนะต้องส่งมไหมที่เขาจัดงานกันแล้วไปแล้วใช่ไหมปฏิสันที่เรียบร้อยแล้ว ยังมาจากการอะไรกันเบียดเสร็จไอพวกที่อยู่ก็ยังทําท่าร้องไห้เล่นกันอยู่เลยยังทาท่าใครครวรร้องไห้กันอยู่เลยถ้าจะร้องนั้มันต้องร้องตอนเกิดทําไมต้องร้องตอนเกิดเพราะนี้เพราะามันจะต้องจะต้องตายไงถ้าเกิดขึ้นมาแล้วต้องพูดบอกว่ามีสภาพ ท, ที่เต็มไปด้วยกองทุกเป็นผลปรากฏแล้วทุกปรากฏให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วลาหูรังชาตังพันธนังชาตังนั้นคือพระพุทธศาสนาเลยเนะี่ย บอกภาระทุกเกิดขึ้นแล้วห่วงเกิดขึ้นแล้วอะไรมันจะห่วงเท่าบุตรอะไรมันจะห่วงเท่าภรรยาอะไรมันจะห่วงเท่าทรัพย์วงเงนเนื้นเอเท่ากับการงานทั้งหลายเอบุตรก็ผูกคอป่ะภรรยาก็ผูกที่เท้าขาผูกขาสามีภรรยาแล้วก็ผูกขาบุตรก็ผูกคอว่างั้นเน้อการงานทั้งหลายก็ผูกที่มือทรัพย์สมบัติทั้งหลายนะออกไม่ได้เลยต้องมาตราสั่งกันเลยแบบนี <c> ้ <oughs> ส่วนเวลากอกมัดที่คอบอกมัดที่มือบอกมัดที่เท้าบางาคนก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนี่ได้ห่วงตัวเนี้ยว่างไงนะี่ทั้งให้รู้เธอว่าถ้ามีบุตรเกิดขึ้นมาแล้วอะไรขึ้นมาแล้วเขาบอกโอ้ยไปที่ไหนก็ผูกคออยู่นั่นแหละหนักมากคือชาติเกิดขึ้นมาแล้วยังมาดีใจกันเนี่ยเพราะเขามอบอะไรให้รู้ไหมเขามอบมอบขันห้าให้แล้วมอบขันห้าที่มีขอบเขตในพบหนึ่งหนึ่งให้แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นกิจ คือเขามอบให้กับตัวเขาเองแล้วไม่พอเราก็ยังไปยึดอีกโอ้โหนี่ขันห้าอันนี้เป็นของเราใช่ไหมเป็นสมบัติของเราเป็นเป็นของของเราอะไรเงเขามา ก, ก, ก็ไม่เคยบอกเราเวลาจะไปเขาก็ไม่เคยจะลาเราอะเง้ามาก็ามาด้วยกรรมของเขาฉะนั้นการปรากฏเกิดขึ้นในสันตตินั่นเองการเกิดขึ้นในสันตตินั่นเองชื่อว่าปฏิลาโภอธิบายว่าอาญาตนาเหล่านั้นที่ปรากฏอยู่นั่นแหละ ย่ชื่อว่าเป็นอันสัตว์ทั้งหลายกลับได้มาแล้วได้ยังไงแต่ก่อนตายังไม่ได้กลับได้ตาใหม่เหมือนได้ใหม่นะคือได้ทุกใหม่เริ่มต้นบริหารทุกใหม่คล้ายๆว่าวิ่งเอ้าต่อไปเลยนะมันเหมือนกับไปวิ่งวนทั้งหลายนะไปวิ่งลนรอบเนี้ไอคนส่งไม้ให้ป๊บก็รับใหม่พอรับไปแล้ววิ่งไปได้สักหน่อยเริ่มนะก็คล้ายว่าวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปแล้ว คือวิ่งไปเพื่อจะไปเสียไม้เสียไม้อีกคนนั้นก็รับใหม่อะไรอยู่กันนี่เนี้ยน่ะวิ่งวนกันมั้ยผุดไปผุดกันมาอย่างนี้ก็เรียกว่าแต่ก็พอตาหมดไปก็มาได้ตาใหม่คําว่าตาใหม่อย่างนั้นก็คือจะต้องมาได้รับทุกข์ใหม่หูหมดไปก็ต้องมารับหูใหม่จมูกหมดไปก็มาเอาจมูกใหม่ปากหมดไปก็มาเอาปากใหม่บางทีโอ้ยปากไม่เหมือน ฟันหมดไปมาเอาฟันใหม่อาจไม่ได้ไม่เท่าเดิมเยเนะลิ้นหมดไปก็มาเอาลิ้นใหม่เลยด็จระเข้ไม่มีลิ้นเลยเลยลาบากเห็นไหมมันมันเป็นน้าหน้ากลวงจริงนะไอ้การเขามอบมันมันก็ทิ้งแล้วเอาใหม่ทันทีประเภทที่ชอบไงบางทีเราเราถามว่าไอ้กรรมที่ทำเนี่ยเพราะไม่รู้จริงๆนะถ้ารู้ถ้าสัตว์ทั้งหลายรู้หรือบุคคลทั้งหลายเขารู้ชาตินี่ ที่การปรากฏเกิดขึ้นมาหรือถ้าเขาได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วก็จะต้องทุกข์เขาจะต้องทรมานเียอู้เขาก็ไม่อยากจะได้เห็นไหมด้วยความไม่รู้เนี่ยที่ที่ถามว่าเมื่อรู้แล้วจะทำยังไงบงคนบอกรู้แล้วศรัทธายังไม่ถึงเลยทุกข์ใหญ่เลยแต่เนี้นมีหลายคนเนเขาบอกแหมเมื่อรู้ซะอย่างนี้แล้วเลยเที่ยวก็ไม่ค่อยสนุกนเท่าไง ถ้ารู้อย่างนี้รู้ไม่รู้ซะดีกว่าเอเลยเนเลยจะบอกว่าแต่ก่อนเที่ยวเพลินสนุกไปวันๆก็ดีไปแล้วพอมารู้อย่างนี้ซะแล้วโอ้มันทําไมอย่างนี้อะไรเนี่ยว่างั้นเนีมองไปที่ไหนก็ไม่มีสิ่งที่น่าเพลิดเพลินยินดีอะไรเลยก็เลยพูดปลอบใจตัวเองไปวันๆดูทีนี้ถามว่าแล้วเหตุใช่ไหมถามว่าชาติเป็นอย่างนี้เหตุเกิดของชาติคือพบพบที่จะเป็นเหตุเกิดของชาตินั้นคือพบประเภทไหน กามาพบรูปมาพบหรืออารูปมาพบแท้จริงเป็นกรรมมาพบนะ